ก็กราบบูชาพรัตนตรัยกราบบูชาครูบาอาจารย์ทั้งท่านหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อคำเขียนกอกราบครวะพระอาจารย์วัฒนาชัยและเพื่อนสาธรรมิกเขาเจริญพรแม่ชีอุบาสุอุบาสิกาทุกท่าน <c oughs> ก็เป็นธรรมเนียม นะปกติของที่วัดป่าสุขโตนะที่เรามาร่วมกันทำวัดนะสวดมนต์สาธยายมนนะร่วมกันแล้วก็หลังจากทำวัดแล้วนะก็มาฟังธรรมซึ่งสิ่งที่จะนำเสนอนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็น ธรรมะนะเป็นประสบการณ์นะที่ได้ทํามานะแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนนะประสบการณ์ในการปฏิบัติธรรมในการปฏิบัติธรรมซึ่งเป็นการเจริญสติ นะตามแนวหลวงพ่อเทียนนะโดยที่เน้นการเจริญสตนะิตามแนวสติปัฏฐาน4นะซึ่งตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้ทำกันนะเป็นปกตนะิของที่วัดป่าสุกโตนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่ตั้งใจนะจะมาศึกษาปฏิบัติธรรมนะที่วัดป่าสุกโตคนที่ มาใหม่น่ะก็อาจจะแปลกใจนในรูปแบบในวิธีการาเห็นมานั่งยกม้า ย, ยกมือไม่ได้นั่งหลับตาเหมือนกับที่เราได้เคยเห็นโดยใเคยปฏิบัติกันม า, นาซึ่งอันนั้นก็เป็นวิธีการที่คนทั่วไปส่วนใหญ่น่ะจะรู้จักกันดี ที่นี่ที่วัดป่าสุกโตเนี่ยนะเราก็จะใช้วิธีการเจริญสตินะตามแนวที่หลวงพ่อเทียนนะท่านได้นำเสนอไว้นะก็คือการเจริญสติกับการเคลื่อนไหวนะของกายนะเป็นเบื้องต้นแตนะ่สำหรับกลุ่มที่มาอยู่40วันนะก็คงจะได้มีประสบาการณ์นะได้สัมผัส นะกับความจริงอยู่บ้างนะสำหรับคนที่เพิ่งมาใหมนะ่ก็จะยังไม่คุ้นเคยกลุนะ่มที่มา7วันนะวันนี้วันที่3หรือ ว, วันที่4ี่แล้วนะก็คงจะมีประสบะการณ์บ้างนะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราได้เรียนรู้นะตรงๆการเรียนรู้นะนิสสกษาปฏิบัตธิธรรม เป็นเรื่องที่ไม่ต้องใช้ความคิดอย่าไปคิดให้เลึกอย่าไปลึกให้นานใช้การรู้สึกตัวขณะที่กายเคลื่อนไหวต้องไปตรงมาไม่ต้องไปคิดว่ามันเป็นอย่างนั้นใช่ไหมคิดว่ามันเป็นอย่างนี้ใช่ไหมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อ่านหนังสือมาเยอะเรียนหนังสือมามากๆอ่านพระไตรปิฎกก็ดี อ่านหนังสือก็ดีแล้วก็จดจำมาแล้วบางทีก็จะามาเทียบเคียงซึ่งตรงนี้เนี่ยมันเป็นระบบความคิดบางทีเราจะไม่เห็นความจริงที่ปรากฏเฉพาะหน้าเพราะฉะนั้นการศึกษาปฏิบัติธรรมเนี่ยเป็นเรื่องที่ตรงไปตรงมาเป็นเรื่องที่ใช้กายใช้ใจของเราเนี่ย นะโดยมีสติหรือความรู้สึกตัวเป็นอุปกรณ์นะใช้ความรู้สึกตัวนะเป็นอุปกรณ์ในการที่จะเรียนรู้นะเรื่องกายเรื่องใจธรรมะจริงๆนะก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในตัวเรานะก็คือที่กายที่ใจนั่นเองนะไม่ใช่เป็นเรื่องที่นึกคิดเอาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไปจดจำออกมาจากหนังสือ หรืไปจดจําจากที่ครูบาอาจารย์พูดนะหรือแม้แต่ไปจดจําจากพระไตรปิฎกมานั้นะจริงๆมันก็เป็นความรู้นะนะแต่เป็นความรู้ที่ที่มันจดจำนะมันไม่ได้เป็นความจริงแต่มาที่แท้จริงคือสิ่งที่ปรากฏนะเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าแต่ละคณะนะซึ่งเขาก็แสดงตัวของเขาเป็นปกติของเขาอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่า เราไม่มีเครื่องมือหรือเรายัางไม่ได้ใช้เครื่องมือนะในการที่จะมาเรียนรู้เนะครื่องมือสำคัญก็คือความรู้สึกตัวนั่นเองความรู้สึกตัวที่เรามีส่วนใหญ่นะเป็นความรู้สึกตัวที่ลุองออกไปข้างนอกนะไปสนใจเรื่องข้างนอกนะนอกตัวเรื่องสังคมเรื่องครอบครัวเรื่องทรัพย์สิสนเงินทองนะเรื่องการงาน นะเรื่องเพืน้นฝะูงนะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็ทําให้เราบางทีนะก็เผลอลืมตัวนะบางทีเราก็ไม่ได้กลับมาดูตัวเราเองตรงนี้นี่แหละนะมันเป็นจุดอ่อนนะจุดอ่อนที่ทําให้ชีวิตของเราเนี่ยนะบางครั้งมันเกิดความหนักอกหนักใจขึ้นมาเกิดความเบื่อความเซ็งขึ้นมาเกิดความเครียดขึ้นมาเราก็ไม่รู้ว่าเราจะแก้ปัญหาอย่างไร วิธีการของคนทั่วไปส่วนให่นะก็คือการที่เราไปหาวัตถุภายนอกหาบุคคลภายนอกนะเพื่อที่ใช้ระลุนความทุกข์ความหนัก อ, อกหนักใจความเบื่อความเซงความเครียดแตนะ่ที่มันเกิดขึ้นนะเช่นไปดูหนังฟังเพลงเวิร์อินเทอร์เน็ตไปหาของอะไร่อยอร่อยกินนะนั้นก็เป็นวิธีการแก้ปัญหานะของคนโดยทั่วไป นะซึ่งการแก้ปัญหาอย่างนั้นนะเป็นเพียงการกดเกลื่อนนะกดเกลื่อนไม่ได้แก้ปัญหาจริงๆรงนะิมันก็ลืมๆไปและธรรมาชาติมันก็มีอย่างหนึ่งว่าถ้าใจมีปกติเนี่ยสุดท้ายมันจะต้องเป็นปกติแนะม้ว่าเราจะไม่ได้ไปทำอะไรมันเพียงแต่ว่าเราไม่ได้เห็นความจริงตรงนี้เนะมื่อเรามีความทุกข์มีความเบือ่อมีความเครียดไม่ว่าจะเบื่อจากการงาน ไม่ว่จะเบื่อจากเพื่อนจากคนในครอบครัวหรือจากปัญหาอะไรทั้งน่าอายทั้งปวนเนี่ยส่ยวนใหญเราก็จะมน้มองมาไปถึงสิ่งภายนอกว่าเป็นปนัญหาและที่ทำให้เราไม่สบายใจน้อยมากน้อยคนที่จะกลับมาดูว่าปัญหาความทุกข์ใจเนี่ยมันเกิดขึ้นในใจเรามันเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งของเรานั่นเอง และตรงนี้ก็เลยไม่ได้รับการแก้ไขปัญหาปัญหาเนี่ยก็เกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเราก็ไปหาวิธีการกดเกลื่อนปนัญหาโดยอาศัยสิ่งภายนอกนะมากดเกลื่อนแะต่ซึ่งสิ่งเหล่านี้เนะี่ยก็ทําให้เรารื่งเบลเบียนนะเดี๋ยวสุขบ้างเดี๋ยวทุกบ้างนะแล้วก็พยายามที่จะหลบหลีกหลีกหนีความทุกข์และพยายามที่จะวิ่ง เข้าหาหรือวิ่งแสวงหาความสุขนะซึ่งตรงนีนะ้ก็ทำให้เราต้องหนัดเหนื่อยทำให้เราไม่รู้ว่าเราจะาแก้ไขปัญหานี้อย่างไรนะรที น, นี้เนมะื่อเราได้มาทดลองมามาเรียนรู้มากลับมาดูกายดูใจของเรามาโดยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยนะก็จะทำให้เราเห็นเลยว่า โอ้ต้ตนตอปัญหาที่แท้จริงความทุกข์ที่เกิดขึ้นในใจเน่มันเกิดขึ้นในตัวเรานี่เองนะเพียงแต่ว่าเราไม่ได้กลับมาดูเราไม่ได้ให้ความสนใจมันนะเด้วยการที่เราหลงนืมไปนั่นเองความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นสิ่งที่เรามีอยู่แล้วนะเพียงแต่ว่าเราเอาไปใช้ข้างนอกนะหรือกำลังที่มันมีมันอ่อนกินไป นะมันไม่สามารถที่จะรู้เท่าทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดนะตรงนี้เป็นจุดอ่อนนะเป็นจุดอ่อนที่ทําให้เรานะเนี่ยไม่ได้แก้ปัญหาเพราะฉะนั้นการที่เรารู้จุดอ่อนแล้วนะเมื่อเรามาอยู่ที่วัดป่าสุกโตก็ดีไปฝึกที่ไหนก็ดีส่วนใหญ่เนะมื่อจะเป็นวิธีการใดก็ตามนะีส่วนใหญ่ก็จะให้กลับมาตรงนี้ กลับให้เรามาดูกายดูใจของเราโดยอาศัยความรู้สึกตัวส่วนวิธีกา ร, รือกแบบก็มีหลายแบบหลายวิธีนะซึ่งที่วัดป่าสุกเตอรเนี่ยเราก็ใช้การเคลื่อนไหวนะของกายเป็นเรื่องต้นเนื่องจากความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นนามธรรมาความคิดปนแต่งก็เป็นนามธรรมาเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถจับต้องได้ เป็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาแต่สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันเป็นอาการหนึ่งของจิตของใจที่มันอยติดกับกายเพราะฉะนั้นเราก็จะอาศัยกายเนี่ยเป็นสะพานเชื่อมมาเข้าไปดูเข้าไปเรียนรู้มันในสะึ่งวิธีการที่เราจะอาศัยกายนี่แหละนะเราก็อาศัยการเคลื่อนไหวของกายนะเป็นการ ปลุกความรู้สึกตัวที่มีอยู่มาที่มันไปสนใจมันไปให้ความาความสําคัญกับเรื่องภายนอกนะให้กลับมาดูที่ตัวเราให้กลับมาดูที่กายกลับมาดที่ใจนะซึ่งตรงนี้เนะี่ยจะเรียกว่าเป็นการเรียกเอาความความรู้สึกตัวเนี่ยกลับมาอยู่ที่เนื้อที่ตัวของเรานะตรงนี้ก็เป็นจุดหนึ่งที่จะทาให้เรา กลับมาเรียนรู้ในสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเราที่สุดก็คือกายใจนั่นเองการเคลื่อนไหวงาด้วยรูปแบบที่หลวงพ่อเทีนได้นำเสนอเนี่ยมันมีสองรูปแบบวใหญ่ในาที่เราทำกันก็คือการสร้างจังละ14จังละการเดินชงกลม น, นี่เป็นรูปแบบแบบซึ่งถ้าเราได้ทำขยันทำทำไม่ต่อเนื่อง นะมันเราก็จะเห็นละานถึงการเคลื่อนไหวของกายที่เป็นรูปหยาบหยาบการยกมือการพลิกมือการเคลื่อนการบุดนะตอนนี้เนะีนะ่ยเป็นจุดที่จะทําให้ความรู้สึกตัวมันถูกปลุกขึ้นหรือมันตือนขึ้นมาการที่เรามารู้มาดูการที่เคลื่อนไหวด้วยความรู้สึกตัวตรง น, นี้เนะี่ยเป็นเรื่องที่ทําได้ง่าย ไม่ใช่เร่องยาเกินอะไรนะถ้าเราไปใช้าการเพ่อจ้างดูลงไปมีมีบางบางหนังสือบางเล่ม น, นะหรือว่าครูบาอาจารย์บางท่านก็บอกให้ดูจิตเลยนะตรง น, นี้นะบางคนถ้าอินทรีย์แก่กล้าสามารถจะทําได้แต่คนที่เริ่มต้นใหม่แนะคนที่ยังไม่คุ้นชินนะก็น่าจะเริ่มต้นที่ไายก่อนนะี่ก็คือมา เคลื่อนไหวที่กายแล้วก็ใส่ใจมีเจตนาที่จะรู้สึกการเคลื่อนของมือการหยุดให้มีเคลื่อนมีหยุดแต่จะ่าไเคลื่อนโดยอัตโ น, น, น, น, นมัติเคลื่อนไปอัตโนมัติก็คือเคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ก็ใจลอยๆไม่มีการหยุดเลยเคลื่อนก็รู้หยุดก็รู้รู้อะไรรู้การเคลื่อนไหวรู้สึกตัวกับการเคลื่อนไหวใส่เจตนาที่จะรู้ อย่าไปทำลายๆอย่าไปทำแบบต่อเนื่องแบบอัตโนมัตินะซึ่งตรงนั้นเนี่ยความรู้สึกตัวมันจะไม่ชัดแต่เพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่บางทีเนี่ยถ้าเราทำแบบอัตโนมัติทำทั้งวันเลยเนี่ยมันไม่รู้ตัวนะทำไปอย่างนั้นแหละเหมือนคนยนต์นะแต่ถ้าเราทำแล้วมีเคลื่อนมีหยุดเมเรารู้สึก ให้ชัดตรงนี้เนี่ยความรู้สึกตัวมันก็จะถูกปลุกขึ้นมาไม่แม้แต่การเดินการเดินจงกรมก็เหมือนกันการเดินจงกรมเนี่ยเดินให้มันพอเหมาะพอดีไม่เร็วไม่ช้าเกินไปแ ล, แล้วก็มีกำหนดจุดที่เราจะเดินไปถึงแเมื่อถึงจุดที่จุดหมายปลายทางก็ควรจะหยุดสักนิดหนึ่งไม่ใช่เดินแบบต่อเนื่องไม่มีการหยุดเลยลซึ่งตรงนี้นก็อาจจะทําให้ ความรู้สึกตัวพลาได้ไม่ชัดได้หรื อ, อย่างเช่นการเดินรเราเดินตามสบายเราปล่อยแขนปล่อยมือแกวงแขนเลยลอันนี้ก็จะไม่ชัดอีกเพราะฉะนั้นการเดินที่ที่เหมาะสมก็คือมีการพวบมือไว้จะกอด อ, อกก็ดีจะเอาเลใส่กระเป๋าก็ดูนั่งจับไห่หลังก็ดูให้ตัวลายเนี่ยเดินเป็นหนึ่งเดียว เราจะไปเดินแบบกางแขนเราไปเดินตามสบายเกินไปพรเดินตามสบายเกินไปมันจะเพลินนะซึ่งตรงนี้เนี่ยมันก็เป็นลายลเอียดปิกไล้ในเท่าที่สังเกตจากประสบการณ์ตัวเองบางทีเราตั้งใจเกินไปเพ่งเกินไปมันก็แน่นมันก็หนักมันก็อึดอัดตรงนี้เราก็ต้องหาทางผ่อนคลายเนะช่นการมองไปไกลๆบ้างนะ ไม่ใช่มองจ้องแต่จุดใดจุดหนึ่งในในการเดินก็ดีในการสร้างจังหวะ ก, ก็ดีให้มันรู้สึกผ่อนคลายไม่เพลินเกินไปแล้วก็ไม่เพ่งเกินไปในซึ่งตรงนี้แต่ละคนก็ต้องหาความพอเหมาะพอดีของตัวเองความพอเหมาะพอดีมันจะแสดงออกได้ว่าเราเดินได้เรื่อยเรื่อเราเดินไปได้เรื่อยเรื่อยไม่หนักเกินไปไม่เบาเกินไป ซึ่งตรงนี้ก็ต้องหาความเหมาะพอดีอันนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่เริ่มต้นเนอกจากการทําในรูปแบบแ ล, แล้วก็จะต้องทํานอกรูปแบบแล้วก็คือจุด อ, อ่อนหนึ่งที่เห็นชัดเจนก็คือว่าส่วนใหญ่เนะี่ยในขณะที่เราทําในรูปแบบเราก็ต้องใจทํากันดีมีความรู้สึกตัวดีแต่พอเลิกพอเลิกไปเราก็จับกลุ่นคุยกันบ้าง เราลืมบางทีเราก็รลืมตัวไปแล้วเราไปเที่ยงน้ําเราก็รีบเบินไปเปิดประตูเสียงดังปังๆเลยนะหรือเปิดน้ํานาดน้ํำขับถ่ายโดยไม่ไม่มีสตินะหรือไม่มีความรู้สึกตัวซึ่งตรงนี้ก็เป็นจุดอ่อนที่ที่สังเกตจากตัวเองด้วยนะที่ที่เราพลาดไป ทําให้ความรู้สึกตัวของเราไม่ต่อเนื่องหรืออย่างเราเดินไปทำ อ, อานารเชา้านะเราก็เดินไปจับกลุ่มคุยกันการคุยกันเนี่ยมันทำให้เราพลาดไปได้เป็นจุดอ่อน น, นิดนึงแต่เราทําความรู้สึกตัวมามาต่อเนื่องตั้งแต่เชา้าหชั่วโมงแล้วก็เดินไปเนี่ยความรู้สึกตัวที่มาน่ย จะพลาดไปเลยเราจะไปสนใจกับเรื่องที่คุยนะความคิดตรงแต่งมันก็จะเกิดขึ้นหรือนะบางทีไปถึงที่สารหน้านะเราตักข้านะวเราก็หินะวเราก็ตักด้วยความความอยากนะบางทีก็ตักมหนมากเกินไปกินไม่หมดนะโดยเฉพาะใส่เป็นโ ต, นตนบ้างอะไรบ้างเนี่ยนะอันนี้เราอาจจะไม่ประมาณอันะนี้เราก็พลาดอีกเหมือนกันเป็นจุดอ่อน ที่เกิดขึ้นจากการที่เราไม่ได้สำนวมระวังในการตัดนะจนไม้หมดแล้วทำอย่างไรนะก็ไปเผื่แผรให้กับสัตว์พวกหมาอะไรพวกนี้นะซึ่งตอนนี้ก็ต้องถือว่ามีปัญหามันกันหมาเนี่ยเนะพราะ ว, ว่ามันหมัดเยอนะเพราะนั้นจริงๆแล้วนะไม่ควรที่จะไปเลีนะ้ยงเอาไว้เพราะว่าหมัดเนี่ยมันก็จะเป็นโทษกับเราอีกในสะ่วนตรงนี้เนนะี่ย หลายคนนะก็มาพูดมาบ่นเหมือนกันว่าเกิดอมีหมัดกัดบ้างอะไรบ้างตอนเนี้ยยิ่งช่วงนี้อากาศชื้นะเพราะฉะนั้นตรง น, นี้เนะี่ยในการปักอาหารเราก็ต้องประมาณนะว่าพอเหมาะพอดีเราแค่ไหนนะตักมาแล้วกินให้หมดไม่ตนะ้องไป็นลือเพื่สนักเผื่อแมวนะซึ่งตรง น, นี้เนะี่ยก็เป็นเป็นเรื่องของสติเหมือนกันนะเป็นเรื่องของการเจริญสติ ใน ก, การตักอาหารการชั้นการรับประทานด้วยความรู้สึกตัวตรงนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่จะที่จะทำให้เรามีการเจริญสติอย่างต่อเ น, นื่องเพราะการเจริญสติเนี่ยเราอย่าไปให้ความสาคัญเพียงแค่รูปแบบเท่านั้นรูป แ, แบบมันก็มีส่วนสำคัญแต่ว่า การเจริญสติในชีวิตประจําวันนี้ก็มีส่วนสําคัญเหมือนกันการเจริญสติที่จะเกิดผลได้นี้ต้องทําให้ต่อเ น, นื่นะองคะแนนต่อเนื่องในที่นี้ก็คือว่าเราพยายามเก็บตกในชีวิตประจําวันในกิจวัตรประจําวันต่างๆกระบวนการรับทานาหารการอาบน้ําการเคลื่นน้าการเก็บปัดเช็ดถูที่พักนะที่หลับที่นอน การเก็บที่หลับที่นอนนะส่วนนี้ก็เป็นส่วนสำคัญนะที่เร า, เาต้องมีการสำรวมนะแล้วก็มีการเจริญสติให้ได้บ่อยๆตรงนี้น่จะเรียกว่าเป็นการสกัดจุดอ่อนนะที่จะทำให้การเจริญสติของเรามันนื่นช้านะหรือว่าไม่ค่อยได้ผลนะเพรา ะ, ะว่าเราไปให้ความสำคัญเฉพาะในรูปแบบในช่วงเวลาที่เราเจริญสติเท่านั้น แลนนั้นตรงนี้ก็เป็นเสียงที่เราจะขยายไปการจเรียนสติเนี่ยถ้าเราไม่ทําไม่ต่อเนื่องเนี่ยมันจะเกิดผลช้าหรือเกิดผลไม่ได้เต็มที่ น, น้นยังกับเราเจะต้ม น, น้ำเราการต้มน้ำไปเสียบพอเราไปเสียบแล้วเนี่ยถ้ามันจะเดือดภายในสาสินาทีเราก็ต้องรอให้ถึงสามสิบนาทีถ้ามันแค่สินาทีแล้วเราดึงปลักออกมันก็ไม่เดือด เหมือ น, นการเรามาเริญสติเนี่ยถ้าเราทําทันหยุดหุ ด, หดนะทำในรูปแบบเสร็จแล้วเราก็ไปคุยกันนะแล้วก็มาทํำต่อนะอย่างเงี้ยมันก็ไม่เกิดผลหรอกเกิดผลช้านะแล้วก็ไม่เคยได้ผลเท่าไหร่เราสารมาดูหลายวันนะก็ได้บ้างนิดๆหน่อยๆและตรงนี้เป็นสิ่งที่ เ, เราจะต้องสกัดจุดอ่อนนะหในว่าแก้ไขตรงนี้ในการ เจริญสติเนี่ยงานะเราเริ่มต้นที่กายนะถ้าเราทำที่กายให้มันเบยเบยชัดเจนแล้วเนี่ยนะมันก็จะเข้าไปรู้ในะสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายแนะเช่นความปวดความเมื่อยความร้อนความวียนนะความตึงเครียดนะของหน้างกายมันไะม่เป็นสิ่งที่จะแสดงออกมานะซึ่งเราก็จะต้องรู้เท่าทันมันเหมือนกันแต่ก่อนเเนะมืเ่อเราไม่ได้มาเจริญสติเนี่ย แค่เปิดมื อ, เ น, อเนี่ยนะียเราก็เปลี่ยนละหนะือบางทีเราก็งดหงดละแต่เมื่อเรามาเจริญสีเนะีเราจะได้เห็นมันเนะีเราจะได้เข้าใจมันนะแล้วก็รู้นะี่ยแล้วก็มีความรู้สึกตัวที่จะรู้เท่าทันสิ่งเหล่านี้นะีแล้วก็จะได้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นนะความพอใจความไม่พอใจนะความสุขความทุกข์นะีที่มันเกิดขึ้นนะีซึ่งอันนี้เขาเรียกว่าเวทานานั่นเอง เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้นแล้วก็ให้เราได้เห็นนอกจากความรู้สึกพอใจไม่พอใจสบทุกแล้วในขณะเดียกั น, เ, นเราก็จะสังเกตเห็นวนะ่ามันมีความคิดตปล่งแต่า ง, งๆเกิดขึ้นโดยดเฉพาะยิ่งคนที่ใช้ความคิดมากๆนั้นก็จะมีความฟุง้งซ่านแสดงออกมาในเส้นตรงนี้เนี่ยคนที่ฝึกสมาธิโดยเน้นความสงบ แบบยิ่งนะที่คุ้นเคยเนี่ยจะมีความรู้สึกเลยว่าโอ้ไม่ไม่ดูเลยลว่าไม่ชอบเลยเราไม่อยากให้มันฟุ้งซ่านเลยแล้วก็บางคนก็สงสัยเอ๊ะเราทํามันถูกไหมเนี่ยทํำไมทํายิ่งทํามันยิ่งฟุง้งซ่านจริงๆเนี่ยไอ้ความฟุ้งซ่านเนี่ยมันเป็นความเคยชินของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราไม่เคยมาดูมันเราทํางานทาการอยู่ในโลกในสังคมเนี่ยเราไม่เคยได้ดูมัน เพราะว่าเราไปสนใจสิ่งข้างนอกนะตรงเนี้ยเพราะนั้นเมื่อเรากลับมาดูตัวเราเองเนี่ยเราก็เหนปรากฏการเหล่านี้ความทุ่งสร้างก็เป็นธรรมชาติเป็นธรรมะอันหนึ่งที่มันจะแสดงตัวออกมาที่เราจะต้องเรียนรู้เราไม่ต้องไปห้ามความคิดไม่ห้ามแต่ก็ไม่ตามมันเกิดขึ้นมาเกิดขึ้นมาเท่าไหร่เราก็กลับมารู้สึกตัวให้ได้ยิง่งสุงสร้ามากก็ยิ่งกลัดมารู้ให้ได้มากมาก เพราะนั้นวิธีการนี้น่ยยิ่งคิดยิ่งรู้คิดลึกก็รู้ลึกคิดตื้นก็ร ต, ต, ตื้นนะตรงนี้เป็นสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นน่ให้เรากลับมารู้สึกตัวการกลับมารู้สึกตัวบ่อยๆเนี่ยมันจะทาให้เราเข้าใจธรรมชาติของกายของใจและที่เขาแสดงตัวออกมา แล้วมัก็จะเกิดการที่เราเรียนรู้ความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงความไม่ใช่ตัวตนความทนอยู่ไม่ได้ซึ่งอันเนี้ยมันจะเกิดขึ้นจากการที่เราได้สัมผัสตรตงไปตรงมาไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราไปนึกคิดเอาแล้วอ่านหนะังสือเนี่ยเขาบอกให้ไตรักน ะ, อ, ะอันนี้จังทุกขังน้ำตานะอันนั้นไม่เป็นความคิดเป็นความจํา แต่ถ้าเรามาทําความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะเห็นตรงไปตรงมาเลยโอ้โหมันนั่งอยู่นานๆนี่มันปวดมันเมื่อยเนาะพอเราเปลี่ยนอิรบเต้งมันก็หายได้นะหรือแม้แต่ความคิดเนี่ยเดี๋ยวมันก็แวบมาแล้วมันก็แวบไปความเมื่อยก็เหมือนกันเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเราไปบังคับบัญชามันไม่ได้บางทีมันมามากเราก็รู้มากะเราไม่ห้ามเลย ทุกสิ่งอย่างปรากฏเนี่ถว่าเป็นธรมะหมดเพราะฉะนั้นการเรียนรู้ธรรมะ ก, ก็คือการเรียนรู้อาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับกายกับใจโดยอาศัยความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นตัวสังเกตเป็นตัวดูตัวดูรู้และไม่เข้าดัดป็นกับมันซึ่งตรงนี้ก็ต้องอาศัยทำบ่อยๆถ้าเราทำบ่อยๆเมื่อาเจอเความหนัก ความอึดอัดที่มันเกิดขึ้นในใจนะมันเปนสิ่งที่เราทนทนมันยากนะสิ่งตรงนี้มันจะเกิดการปล่อยวางโดยธรรมชาติโดยที่เราไม่ต้องไปคิดไปนึกว่าจะปล่อยจะวางแต่ธรรมชาติมันจะปล่อยวางของมันเองนะความรู้สึกตัวนะมันเป็นตัวที่ทําให้เราปรับสมดุลได้ความรู้สึกตัวนี่แหล ะ, ละที่จะทำให้เราเข้าใจความจรงมิงเรียนรู้ความจริง เป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการจดจำไม่ใช่เป็นปัญญาที่เกิดจากการคิดตรง น, นี้เป็นสิ่งที่เร า, เาต้องสังเกตแล้วก็ทําให้ได้บ่อยๆจนนี้จะเป็นจุดที่ประธาให้เราเรียนรู้ธรรมะอย่างตรงไปตรงมาและเป็นทางตรงไม่ใช่ทางอ้อมแต่ส่วนใหญ่บางทีเราไปอ่านหนังสือมากๆ นะแล้วเราก็มาเทียบเคียงเส้นะตรงนี้มันก็เป็นการอ้อมนะอ้อมเกินไปอย่างนีน้ตรงไปตรงมาเพราะฉะนั้นการฝึกจลน์สติเนี่ยนะเป็นการที่เราอาศัยความรู้สึกตัวที่กายนะเบื้องต้นนะก็จะเข้าไปรู้เวทนาเข้าไปรู้จิตนะแล้วก็เข้าไปรู้ธรรมชาตนะิที่มันเกิดขึ้นนะที่เกิดขึ้นอยู่ทุกเมื่อเช้าวัน เกแต่ลักณะเกแต่ลักณะนั้นเป็นความจริงที่เกิดขึ้นเป็นสัจธรรมแต่ ท, ที่แสดงหรือปรากฏให้เราได้เห็นเพราะนั้นตรงนี้น่ยจึงจำเป็นนะที่เราจะต้องทําให้ต่อเนื่องมาทําให้โดยบ่อยๆมาทั้งในรูปแบบทั้งมอกรูปแบบมาตั้งแต่ตื่นจันหลับหลับแล้วก็นอนไปนะแต่ถ้าเราไม่รู้เท่าทันเนี่ย แต่บางทีเราก็เก็บเอาไปคิดเอาไปฝันต่อแตจริงๆความฝันก็คือความคิดนั่นเองนาสังเกตดูคนที่มีความรู้สึกตัวนาที่ต่อเนื่องเนี่ยนาก็ไม่ได้หมายคก็ว่าสําหรับคนใหม่นะหรือ ว, ว่าคนที่เริ่มต้นเนี่ยก็ไม่ได้หมายก็ว่าจะต้องไม่เผลอเลยนะมันเผอเราก็รู้นามันมีสติเราก็รู้นาเผอบ้างรู้บ้าง อนะ่เป็นเบื่องต้นมันจะเป็นอย่างนั้นนะแต่ถ้าเราทํำบ่อยๆเนี่ยมันจะรู้มากกว่าเผลออ่านหะรือว่ารู้มากกว่าหลงอ่นะี้ก็จะหลงได้ได้น้อยลงอนะ่นี่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแตนะ่ถ้าเราทําให้เป็นประจําทำบ่อยๆทําเรื่อยๆทําให้ต่อเนื่องนะอ่าตรงนี้เป็นจุดสําคัญอนะ่แล้วก็เป็นการแก้จุดอ่อนทีนี้คนที่ฝุดแล้วมีความรู้สึกอึดอัดรู้สึกหนัก รูนะ้สึกไม่สบายนะตอนนีนะ้เป็นสิ่งที่เราจะต้องหาทางแก้ไขนะวยการาสังเกตมันเนะช่นบางทีเราเดินมากมันหนักนะบางทีเราอาจจะจ้องเกินไปไหมเท่งเกินไปไหมนะเราก็มองไปไกลๆนะผ่อนคลายออกหนะรือแม้สร้งจังหวะแล้วมันเนื่องทำช้าก็ทำให้รุนรขึ้นนะนี่ก็เป็นเรื่องของเราที่เราจะต้องแก้นะเพื่อให้มันรู้สึก เอ่อความรู้สึกเกิดมันตื่นขึ้นมานะแล้วก็ความทุกเนี่ยนาะถึงว่าเป็นประตูแรกนะที่เราจะเข้าไปรู้ความจริง้วนะก็คือทุกนะที่เรียกว่าทุกอริยสัตนั่นเองเพราะนั้นที่ที่เรามาทำกันเนี่ยนะบางคนอาจจะเออเรามาทาทำไมเราอยู่บ้านเราก็สบายๆนะมาทุกทรมานทำไมตัวเองนะก็มีบางคนคิดอย่างนั้น เราบางคนก็เสึ้งไม่ไหวนะวันแรกสองวันแรกนี่ซู้งไม่ไหวถอยไปก็มีเหมือนกันแต่คนที่ผ่านวันที่สามได้แล้วนะเจนแล้วว่าโอ้มันผ่านได้นะความทุกข์นี่เป็นสิ่งที่ผ่านได้แล้วเราก็เกิดปัญญาขึ้นด้วยว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากการที่เราปยึดถือเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นจากการที่เราไม่รู้เท่าทัน อารมณ์ความรู้สึกนึกคิดต่างๆนะเราก็พยายามไปกดมันมันพยายามไปห้ามมันนะซึ่งตรงนี้ก็ทำให้เราหนักขึ้นมาแต่เมื่อเราผ่านมาวันที่สามวันที่สี่ได้เนี่ยนะเราก็เจนแล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่คงตัวมันไม่ตายตั ว, ม, ม, ตตวมันมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ไม่สามารถไปบังคับบัญชาได้ไม่สามารถไปกะเกินไม่เป็นอย่างนั้นอย่างนี้ได้และมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราคิดด้วยนะ ความจริงมันเป็นของเขาอย่างนั้นธรรมาชาติก็เป็นอย่างนั้นนะถ้าเราเห็นมันนี้ไดนะ้เราก็จะเปิดการปล่อยวางเองนะใจมันก็จะเป็นปกติของมันอยู่ดังนั้นแหละนะตรงนี้เป็นจุดที่จะทําให้เราเนี่ยนะอาศัยความรู้สึกตัวนะที่เกิดจากการที่เราได้ทำํำนะที่เราได้ปฏิบัติอย่างต่อเ น, นื่องเนี่ยนะทําให้เราได้เห็นความจริงนะก็คือ ความจริงของใจณที่เป็นปกติใจเป็นปกติอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแต่ที่มันไม่ปกติเพราะเราเผลอเราไม่รู้เท่าทันความคิดปรุงแต่งเราไม่รู้เท่าทันอารมณ์ของตัวเราเองแราเราก็เลยหลงไปในอารมณ์เหล่านั้นเพรความรู้สึกตัวเนี่ยจะเป็นเครื่องมือสำคัญเลยนะเกิดอะไรขึ้นก็ตามให้กลับมารู้สึกตัวนะให้ได้บ่อยๆ ถ้ากลับมาได้บ่อยๆตรงนี้นะอะไรเกิดขึ้นเราจะเห็นเลยไม่แต่ความโกรธนะถ้าความรู้สึกตัวเราชัดเนี่ยก่อนที่มันจะโกรธนะมันจะเห็นแล้วมันจะปกลุ่นขึ้นมาข้างใน่ะมันจะรู้สึกร้อนๆปุ๊ๆขึ้นมาลน ะ, นะตรงนั้นเนี่ยถือว่าความรู้สึกตัวของเรานั้นใช้การได้แล้วเป็นเครื่องมือที่เราจะใช้ได้นะอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นเป็ น, ป, นประสบะการณ์นะที่ได้จากตัวเอง นะซึ่งก็คิดว่าแต่ละคนก็คงจะมีประสบะการณ์ตรงนี้บ้างนะก็ถือว่าเป็นการแลกเปลี่ยนกันเป็นการนำเสนอนะเพื่อที่จะให้ได้ทดลองให้ได้สังเกตนะสิ่งเหล่านี้ตรงนี้จะเป็นจุดสำคัญเพราะฉะนั้นโดยโดยสรุปแล้วเนี่ยนะในการเจริญสติเนี่ยนะเราก็อย่าอย่าเพียงแค่ทำในรูปแบบ นะนอกรูปแบบก็พยายามใส่ใจพยายามที่จะติดตามนะพยายามที่เจตนาจะรู้สึกตัวให้ได้บ่อยๆให้ต่อเนื่องนะซึ่งตรงนี้นก็จะเกิดผลขึ้นมาแต่อย่าทุ่มเชื่อนะให้ลองดูก่อนเรามาหยุดที่นีนนะ่พยายามพูดคุยกันนะ้อยๆใช้เวลาทุกเวลานาทนีให้เป็นเป็นเวลาของความรู้สึกตัว จะรู้สึกตัวในรูปแบบนอกรูปแบบให้ต่อเนื่องกันไปแตัว น, นี้ก็จะทำให้เกิดผลขึ้นมาผมที่เกิดขึ้นคืออะไรผลที่เกิดขึ้นคือเรารู้เท่าทันกายรู้เท่าทันใจไม่หลงไปในอารมณ์ไม่หลงไปในความคิดปรุงแต่งใจกลับคืนสู่ความเป็นปกติได้อยู่บ่อยๆอยู่เรื่อยๆนะซึ่งตรง น, นี้จะทาให้ชีวิตของเราเนี่ยนะ เป็นชีวิตที่มีปกติสุขปกติทั้งกายปกติทั้งใจในเส้นะเป็นแม้จะเป็นยอดปราดปรารถนาในะรื่อเป็นสิ่งที่คนเรานะที่ได้เกิดมาครั้งหนึ่งนะได้สิ่งเหล่านีนะ้เป็นความสุขในระดับสูงสุดเป็นบุญสูงสุดเป็นประโยชน์สูงสุดนะที่มนุษย์เราจะพึงได้รับ ในในการที่เรามีชีวิตอยูนะ่สิ่งเหล่านี้เงินร้อยล้านพันล้านซื้อไม่ได้ใครมาทําให้ก็ไม่ได้ไม่มีใครทําให้เราต้องทําเองเราต้องลงแรงเองด้วยความเพียรความพยายามนะมีสติสมาธิปัญญานะประกอบกันนะเพื่อที่จะให้เราเนี่ยได้สัมผัสกับสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ไม่หลภใส เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้สัมผัสได้แมในชีวิตนีนะ้อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะให้พวกเราได้มาใช้เวลาที่วัดป่าสกเตอเนี่ยเพื่อที่จะพิสูจน์เรื่องนี้เพื่อที่จะทำเรื่องนี้นะเป็นการยืนยันว่าพราะพุทธเจ้ามีจริงสิ่งที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็มีจริงและเป็นสิ่งที่คน สามารถที่จะทำไดนะ้แต่จะได้มากได้น้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเพียรพยายามของแต่ละคนนะที่จะทำนะตรง น, นี้ก็อยากจะนำเสนอนะต่ในท้ายที่สุดนี้นะก็ขออ้างอิงอากุณของพระีรัตนตรัยนะก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พระพุทธก็คือ ผ, ผู้ตื่ผู้ตผู้เบิกบานนะก็คือสติปัญญาที่มีอยู่ในตัวเราทุกคนนั่นแหละนะนะีนะ่คือพระพุทธที่แท้จริงที่เป็นที่พึ่งพระธรรมก็คือความจริงนะที่แสดงหรือปรากฏให้เราเห็นอยู่ทุกเมือ่อเช่อวันพระสงค์ก็คือการที่เรามาเจริญสติเพนะื่อที่จะเห็นความจริงนี้แหละ เพรานั้น พ, พุทธพระธรรมพระสงค์นั้นมีอยู่ในตัวเราอยู่แล้วมีอยู่ที่กายที่ใจของเราอยู่แล้วนะก็ให้ด้วยคุณของพรัรนาไตยทั้งสาประการนี้พร้อมทั้งความเพียรพยายามนะในการตั้ง อ, อกตั้งใจในการศึกษาปฏิบัติเจริญสติอย่างต่อเนื่องแล้วนะก็ทุกท่านได้ประสบพบเห็นนะความเป็นปกติของใจ นะซึ่งมีอยู่แล้วในทุกๆคนนะแล้วก็เป็นความสุขสูงสุดนะที่เราน่าจะได้รับกันในชีวิตนี้โดยทั่วหน้ากันเทินเจริญพร